มัคคะปฏิปทาคำสอนวิธีปฏิบัติธรรมพระราชวุฒาาจารย์หลวงปู่ดูลัตุโลเรียบเรียงโดยพระราชวรคุณพระมหาสมศักปันดิโตจัดทาเพื่อเป็นธรรมทานโดยประภัยจิตหันกลางข้อที่หนึ่งเริ่มต้นของการภาวนา ให้นึกคำบริการพุทโธกำหนดที่ตั้งของจิตไว้บริเวณหัวใจจะใช้ฐานที่ตั้งอื่นก็ได้ตามแต่ถนัดแล้วสังเกตดูที่ผู้บริการว่าใครเป็นผู้บริการพุทโธให้บริกรรมไปเรื่อยๆจนกว่าอารมณ์จะสงบลงเมื่อจิตคิดไปถึงเรื่องภายนอกเรื่องอะไรก็ให้กำหนดรู้เท่าทัน ไม่ปล่อยจิตให้คิดไปตามเรื่องต่างๆนั้นพยายามประคองรักษาอารมณ์ภาวนาให้รวมอยู่ที่ฐานกําหนดอยู่เรื่อยเมื่ออารมณ์สงบแล้วคําบริกรรมก็จะขาดไปเองไม่ต้องบริกรรมอีกให้สังเกตดูความรู้สึกที่ฐานกําหนดอยู่เช่นนั้นบริกรรมเพื่อรวมอารมณ์ให้เป็นหนึ่งสังเกตดูว่า ใครเป็นผู้บริการพุธโธบางครั้งหลวงปู่จะแนะให้รู้ลมหายใจเข้าออกหรือนึกคำว่าพุธพร้อมลมหายใจเข้านึกคำว่าโธพ ร, ร้อมลมหายใจออกหรือแนะวิธีอื่นๆสำหรับบางคนเช่นดูปเปลวเทียนเพื่อให้จิตสงบก่อน แต่เมื่อห้าถึงหกปีก่อนที่ท่านจะมรณภาพถ้าใครถามเรื่องภาวนาหลวงปู่มักจะแนะให้ดูจิตข้อที่สองดูจิตเมื่ออารมณ์สงบแล้วให้สติจดจ่ออยู่ที่ฐานกำหนดเดิมเช่นนั้น เมื่ออารมณ์อะไรเกิดขึ้นก็ให้ละอารมณ์นั้นทิ้งไปให้มาดูที่จิตต่อไปอีกไม่ต้องกังวลใจพยายามประคองอารมณ์ให้อยู่ในฐานที่ตั้งเสมอๆใช้สติคอยกำหนดควบคุมอยู่อย่างเงียบๆคือรู้อยู่ไม่ต้องวิจารกิริยาใดๆที่เกิดขึ้นเพียงกำหนดรู้แล้วละไปเท่านั้น ทำเช่นนี้อยู่เรื่อยๆแล้วเราก็จะค่อยเข้าใจกิริยาของจิตได้เองคือจิตปรุงกิเลสหรือกิเลสปรุงจิตทำความเข้าใจในอารมณ์ความนึกคิดสังเกตอารมณ์ทั้งสามอย่างคือราคะโทสะโมหะ3 อย่าส่งจิตออกนอกพยายามกำหนดรู้ในอารมณ์เดียวเท่านั้นไม่พยายามคิดสัดสายไปถึงเรื่องภายนอกเมื่อจิตเผลอคิดไปก็ให้ตั้งสติระลึกถึงฐานกำหนดเดิมแล้วรักษาสัมปัตชัญญะให้สมบูรณ์อยู่ที่กายเสมอเสมอรูปนิมิตให้ยกไวส่วนนามนิมิตทั้งหลาย อย่าได้ใส่ใจกับมันเราวังจิตไม่ให้คิดถึงเรื่องภายนอกสังเกตดูการหวันไหวของจิตตามอารมณ์ที่รับมาทางอยายตนะทั้งหกคือตาหูจมูกลิ้นกายและใจข้อที่สจงทำยานให้เห็นจิตเหมือนดังตาเห็นรูป เมื่อเราสังเกตกิริยาของจิตไปเรื่อยๆจนเข้าถึงเหตุปัจจัยของอารมณ์ความนึกคิดต่างๆได้แล้วจิตก็จะค่อยๆรู้เท่าทันการเกิดของอารมณ์ต่างๆอารมณ์ความนึกคิดต่างๆก็จะค่อยๆดับไปเรื่อยๆจนจิตว่างจากอารมณ์แล้วจิตก็จะเป็นอิสระอยู่ต่างหากจากเวทนาของรูปกายอยู่ที่ฐานกาหนดเดิมนั่นเอง การเห็นนี้เป็นการเห็นด้วยจักสุ ป, ปัญญาคิดเท่าไรเท่าไรก็ไม่รู้ต้องหยุดคิดให้ได้จึงจะรู้ข้อที่หยากรูปถอดด้วยวิชามัคจิต เมื่อสามารถเข้าใจได้ว่าจิตกับกายอยู่คนละส่วนได้แล้วให้ดูที่จิตต่อไปว่ายังมีอะไรหลงเหลืออยู่ที่ฐานกำหนดคือจิตอีกหรือไม่แต่ก็ต้องอาศัยความคิดนั่นแหละจึงจะรู้พยายามใช้สติสังเกตดูที่จิตทำความสงบภายในจิตอยู่เรื่อยๆ จนสามารถเข้าใจพฤติของจิตได้ตามขั้นตอนเข้าใจในเรื่องเหตุผลว่าเกิดจากความคิดนั่นเองและความคิดนั้นมันออกไปจากจิตนี่เองไปหาปรุงหาแต่งหาก่อหาเกิดไม่มีที่สิ้นสุดมันเป็นมายาหลอกลวงให้คนหลงแล้วจิตก็จะเพิกถอนสิ่งที่มีอยู่ในจิตออกไปเรื่อยๆจนหมด หมายถึงเจริญจิตจนสามารถเพิกรูปปรามนูวิญญาณที่เล็กที่สุดภายในจิตได้คำว่าแยากรูปถอดนั้นหมายความถึงแยกรูปวิญญาณนั่นเองข้อที่6เหตุต้องละ ผลต้องละใช้เมื่อเจริญจิตจนปราศจากความคิดปรุงแต่งได้แล้วคือว่างก็ไม่ต้องใช้หลักเหตุผลใดๆทั้งสิน้นจิตก็จะอยู่เหนือภาวะแห่งคลองความคิดนึกต่างๆอยู่เป็นอิสระปราศจากสิ่งใดๆครอบงำอัมพรางทั้งสิน้น สมุเทเฉทธรรมทั้งปวงข้อที่เจ็นี่ก็หมดผลเหตุเกิดเมื่อธรรมทั้งหลายได้ถูกถ่ายทอดไปแล้วสิ่งที่เรียกว่าธรรมจะเป็นธรรมไปได้อย่างไรสิ่งที่ว่าไม่มีธรรมนั่นหละมันเป็นธรรมของมันในตัวผู้รู้นะจริง แต่สิ่งที่ถูกรู้ทั้งหลายนั้นไม่จริงเมื่อจิตว่างจากรูติดต่างๆแล้วจิตก็จะถึงความว่างที่แท้จริงไม่มีอะไรให้สังเกตได้อีกต่อไปจึงทราบได้ว่าแท้ที่จริงแล้วจิตนั้นไม่มีรูปร่างมันรวมอยู่กับความว่างในความว่างนั้นไม่มีขอบเขตไม่มีประมาณ ทราบซึ้งอยู่ในทุกๆสิ่งและจิตกับสิ่งที่ถูกรู้เป็นสิ่งสิ่งเดียวกันคืออนัตตาข้อที่8อูที่ตรัสรู้แล้วเขาไม่พูดหรอกว่าเขารู้อะไรเพราะไม่มีอะไรที่จะให้ใครรู้ถึง เมื่อเจริญจิตจนเข้าใจสภาวะเดิมแท้ของมันได้แล้วจิตเห็นจิตยังแจ่มแจ้งจิตก็จะอยู่เหนือสภาวะสมมติบัญญัติทั้งปวงมันอยู่เหนือคำพูดและปราศจากการกล่าวอ้างใดใดทั้งสิ้นเป็นธรรมชาติอันบริสุทธิ์และสว่างรวมเข้ากับความว่างอันบริสุทธิ์และสว่างของจักรวาลเดิมเข้าเป็นหนึ่งเรียกว่านิพพาน โดยปกติคำสอนธรรมะของหลวงปู่ดูลัตุโลนั้นท่านจะสอนแบบปริศนาธรรมไม่ใช่เป็นการบรรยายธรรมฉะนั้นคำสอนท่านจึงสั้นจำกัดในความหมายของธรรมะเพื่อไม่ให้เฟือหรือฟุ่มเฟื่อยมากนักเพราะจะทำให้สับสนเมื่อผู้ใดซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติธรรมแล้วเขาย่อมจะเข้าใจได้เองว่ากิริยาอาการของจิตที่เกิดขึ้นนั้นมีมากมายหลายอย่าง ยากที่จะอธิบายได้หมดจดด้วยเหตุนั้นหลวงปู่ท่านจึงใช้คําว่าปฤติของจิตแทนกิริยาทั้งหลายเหล่านั้นคําว่าดูจิตอย่าส่งจิตออกนอกทำยานให้เห็นจิตเหล่านี้ล้วนมีความหมายครอบคลุมไปทั้งหมดตลอดองค์ภาวนาแต่เพื่อจะอธิบายให้เป็นขั้นตอน จึงจัดเรียงให้ดูง่ายก็ใจง่ายเท่านั้นท่านผู้มีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนาเมื่อเจริญภาวนาจิตตามคำสอนของหุปู่ดูลัตุโลแล้วหากเกิดปัญหาในระหว่างการปฏิบัติควรรีบเข้าหาครูอาจารย์ฝ่ายวิปัสนาธุระโดยรีบด่วนหากประมาทแล้วอาจเกิดผลเสียหายใหญ่หลวงตามมาภายหลังได้เพราะคาว่ามัคคะปฏิปทานั้น จะต้องอยู่ในมรรคจิตเท่านั้นมิใช่มรรคภายนอกต่างๆนานาเลยการเจริญจิตเข้าสู่ที่สุดแห่งทุกนั้นจะต้องถึงพร้อมด้วยวิสุทธิที่ศีลวิสุทธิธรรมพร้อมทั้งสามทวารคือกายวาจาและใจจึงจะยังกิจให้รู้ล่วงถึงที่สุดแห่งทุกได้ การเจริญภาวนาให้จิตล่วงกองทุกตามขั้นตอนนั้นเป็นหนทางอันกเกษมซึ่งชาวพุทธศาสนิกชนทั้งหลายควรใส่ใจอย่ามัวลังเลอยู่เลยรีบฉวยโอกาสบำเพ็ญกุศลให้แก่ตนโดยเร็วเถิดการภาวนานั้นคือการเจริญจิตให้มีสติสมบูรณ์สามารถรู้เท่าทันเหตุแห่งทุกจะได้ละเหตุนั้นก่อนจึงจะไม่ต้องรับทุกนั้น หากจิตใจที่ไม่เคยฝึกอบรมภาวนาแล้วย่อมไม่มีคุณเครื่องป้องกันทุกที่จะเกิดขึ้นได้เลยควรดูเรื่องการป้องกันทุกที่จะเกิดจากทวารทั้งห้าในหัวข้อถัดไปซึ่งอยู่ท้ายข้อที่หนึ่งในเรื่องอหตตกาจิตสมประการควรอ่านประกอบให้เข้าใจชัดแล้วลงมือปฏิบัติหมายเหตุ อดีตพระอดิศักดิ์อวิรุธโธเป็นผู้บันทึกเรียบเรียงเมื่อพุทธศักราช 2,526 ก่อนหลวงปู่มรณาภาพสรุป ก, การดูจิตซึ่งก็คือการเจริญสติหรือรู้ที่ถูกต้องศีล ส, สมาธิปัญญาจะพัฒนาเกิดขึ้นเองพ้นทุกได้ หลักการที่สำคัญมากในการดูจิตที่ขอย้ำก็คือให้รู้อารมณ์เฉยๆอย่าไปพยายามละอารมณ์นั้นเด็ดขาดจะเดินทางผิดทันทีเพราะอารมณ์ทั้งปวงนั้นเป็นตัวขันเป็นตัวทุก์ผู้ปฏิบัติมีหน้าที่รู้เท่านั้นอย่าอยากคือมีตัณหาที่จะไปละมันเข้าฝึกตามรู้จิตสังเกตจิต จิตจะรู้สึกอย่างไรไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีก็รู้แค่นั้นอย่าคิดภาคต่อไม่ใช่ดักรู้จิตไม่ใช่เพ่งไม่ใช่เผลอลืมตัวแต่ฝึกรู้สึกตัวคือรู้เนื้อรู้ตัวอย่างง่ายง่ายสบายสบายเอาไวเ้เสมอเสมอไม่ว่าจะทำอะไรเมื่อรู้แล้วก็ไม่ใช่อยาก หรือพยายามประคองตัวรู้เอาไว้รู้ไม่ใช้คิดเว้นมีกิจการงานที่ต้องใช้ความคิดรู้ไม่ใช่กำหนดรู้แต่สักแต่ว่ารู้ เหตุตกาจิตสามประการหนึ่งปัญจทวาราวัชนะจิตคือกิริยาจิตที่แฝงอยู่ตามอายตนะหรือทวารทั้งห้ามีดังนี้ตาไปกระทบกับรูปเกิดจากขูวิญญาณคือการเห็น จะห้ามไม่ให้ตาเห็นรูปไม่ได้หูไปกระทบกับเสียงเกิดโสตวิญญาณคือการได้ยินจะห้ามไม่ให้หูได้ยินไม่ได้จะมูไปกระทบกับกลิ่นเกิดคานะวิญญาณคือการได้กลิ่นจะห้ามไม่ให้จมูกรับกลิ่นไม่ได้ ลิ้นไปกระทบกับรถเกิดชิวหาวิญญาณคือการได้รถจะห้ามไม่ให้ลิ้นรับรู้รถไม่ได้กายไปกระทบกับโผฏพักเกิดกายวิญญาณคือการสัมผัสจะห้ามไม่ให้กายรับสัมผัสไม่ได้วิญญาณทั้งห้าอย่างนี้เป็นกิริยาที่แฝงอยู่ในกายตามทวาร ทำหน้าที่รับรู้สิ่ง ต, งต่างๆที่มากระทบเป็นสภาวะแห่งธรรมชาติของมันเป็นอยู่เช่นนั้นก็แต่ว่าเมื่อจิตอาศัยทวารทั้งห้าเพื่อเชื่อมต่อรับรู้เหตุการณ์ภายนอกที่เข้ามากระทบแล้วส่งไปยังสำนัก ง, งานจิตกลางเพื่อรับรู้เราจะห้ามมิให้เกิดมีเป็นเช่นนั้นย่อมกระทาไม่ได้ การป้องกันทุกที่จะเกิดจากทวารทั้งห้านั้นเราจะต้องสํารวมอินทรีย์ทั้งห้าไม่เพลิดเพลินในอายตนะเหล่านั้นหากจําเป็นต้องอาศัยอายตนะทั้งห้านั้นประกอบการงานทางกายก็ควรจะกําหนดจิตให้ตั้งอยู่ในจิตเช่นเมื่อเห็นก็สักแต่ว่าเห็นไม่คิดปรุงได้ยินก็สักแต่ว่าได้ยิน ไม่คิดปรุงดังนี้เป็นตน้นไม่คิดปรุงหมายความว่าไม่ให้จิตเอ็นเอียงไปในความเห็นดีชั่วอเหตุกาจิตข้อสองมโนทวาราวัชนาจิต คือกิริยาจิตที่แฝงอยู่ที่มนโนทวารมีหน้าที่ผลิตความคิดนึกต่างๆนานาคอยรับเหตุการณ์ภายในภายนอกที่มากระทบจะดีหรือชั่วก็สะสมเอาไว้จะห้ามจิตไม่ให้คิดในทุกๆกรณีย่อมไม่ได้ก็แต่ว่าเมื่อจิตคิดปรุงไปในเรื่องราวใดๆ ถึงวัตถุสิ่งของบุคคลอย่างไรก็ให้กาหนดรู้ว่าจิตคิดถึงเรื่องเหล่านั้นก็สักแต่ว่าความคิดไม่ใช่สัตว์บุคคลเราเขาไม่ยึดถือวิจารณ์ความคิดเหล่านั้นทำความเห็นให้เป็นปกติไม่ยึดถือความเห็นใดๆทั้งสิน้นจิตยอมไม่ไหลาตามกระแสอารมณ์เหล่านั้นไม่เป็นทุกข์ อเหตุกาจิตข้อสาอาศิตุบาทคือกิริยาที่จิตยิ้มเองโดยปราศจากเจตนาที่จะยิ้มหมายความว่าไม่อยากยิ้มมันก็ยิ้มของมันเองกิริยาจิตอันนี้มีเฉพาะเราพระอริยเจ้าเท่านั้นในสามัญชนไม่มี สำหรับอเหตุกาจิตข้อหนึ่งและข้อ2มีเท่ากันในพระอริยเจ้าและในสามัญชนนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายเมื่อตั้งใจปฏิบัติตนออกจากกองทุกข์ควรพิจารณาอาเหตุกาจิตนี้ให้เข้าใจด้วยเพื่อความไม่ผิดพลาดในการบำเพ็ญปฏิบัติธรรมอเฮตุกาจิตนี้นักปฏิบัติทั้งหลาย ควรทําความเข้าใจให้ได้เพราะทําไมเช่นนั้นแล้วเราจะพยายามบังคับสังขารไปหมดซึ่งเป็นอันตรายต่อการปฏิบัติธรรมมากเพราะความไม่เข้าใจในอเหตุกาจจิตข้อหนึ่งและข้อสองนี่เองอเหตุกาจจิตข้อสเป็นกิริยาจิตที่ยิ้มเองโดยปราศจากเจตนาที่จะยิ้ม เกิดในจิตของเราพระอริยเจ้าเท่านั้นในสามัญชนไม่มีเพราะกิริยาจิตนี้เป็นผลของการเจริญจิตจนอยู่เหนือมายาสังขารได้แล้วจิตไม่ต้องติดข้องในโลกมายาเพราะความรู้เท่าทันเหตุปัจจัยแห่งการปรุงแต่งได้แล้วเป็นอิสระด้วยตัวมันเอง ภาวนากับนิมิตหลวงพ่อเพิ่มได้เล่าถึงประสบการณ์ในการปฏิบัติกรรมฐานสมัยเริ่มต้นเมื่อครั้งยังเป็นสามนเณรว่าตอนที่ฝึกกรรมฐานใหม่ๆนั้นท่านยังไม่ประสีระษาอะไรเลยหลวงปู่ดูลได้แนะนำถึงวิธีการทำสมาธิว่าควร น, นั่งอย่างไรยืนเดินนอนควรทำอย่างไร ในชั้นต้นหลวงปู่ให้เริ่มที่การนั่งเมื่อนั่งเข้าที่เข้าทางแล้วก็ให้หลับตาภาวนาพุโทโธไว้อย่าส่งใจไปคิดถึงสิ่งอื่นให้นึกถึงแต่พุโทโธพุโทโธเพียงอย่างเดียวก็จดจำนำไปปฏิบัติตามที่หลวงปู่สอนปกติของใจเป็นสิ่งที่ไม่หยุดนิ่งมักจะคิดฟุ้งซ่านไปโน่นไปนี่เสมอเดระยะเริ่มต้น คนที่ไม่เคยฝึกมาก่อนอยู่ๆจะมาบังคับให้มันหยุดนิ่งคิดอยู่แต่พุโทโธประการเดียวเป็นสิ่งที่ทำได้ยากสามราเนนเพิ่มก็เช่นกันเมื่อภาวนาไปตามที่หลวงปู่สอนได้ระยะหนึ่งก็เกิดความสงสัยขึ้นจึงถามหลวงปู่ว่าเมื่อหลับตาภาวนาแต่พุโทโธแล้วจะเห็นอะไรครับหลวงปู่หลวงปู่บอกอย่าได้สงสัย อย่าได้ถามเลยให้เร่งรีบภาวนาไปเถอะให้ภาวนาพุโทโธไปเรื่อยๆแล้วมันจะรู้เองเห็นเองแหละมีอยู่คราวหนึ่งขณะที่สั ม, มเนรเพิ่มภาวนาไปได้ระยะหนึ่งจิตเริ่มสงบ ก, ก็ปรากฏร่างพญางูยักษ์ดำมามื่อมขึ้นมาอยู่ตรงหน้ามันจ้องมองท่านด้วยความประสงร้ายแผ่แม่เบี้ยส่งเสียงขู่ฟู่ๆอยู่ไปมา สมมเนนเพิ่มซึ่งเพิ่งฝึกหัดภาวนาใหม่ๆเกิดความหวาดกลัวะวาลืมตาขึ้นก็ไม่เห็นพญายงูยักษ์จึงรู้ได้ทันทีว่าสิ่งที่ท่านเห็นนั้นเป็นการเห็นด้วยสมาธิจิตที่เรียกว่านิมิตนั่นเองจึงได้หลับตาลงภาวนาต่อพอหลับตาลงเท่านั้นก็พลันเห็นงูยักษ์แผแม่เบียส่งเสียงคู่ทำท่าจะฉกอีกแม้จะหวาดกลัวน้อยลงกว่าครั้งแรก แต่ก็กลัวมากพอที่จะต้องลืมตาขึ้นอีกเมื่อนำเรื่องนี้ไปถามลุงปู่ได้รับคำอธิบายว่าอย่าจงใจไปดูไปรู้ในสิ่งอื่นการภาวนาท่านให้ดูใจของตนเองหรอกท่านไม่ให้ดูสิ่งอื่นการบำเพ็ญกรรมฐานนี้ไม่ว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดจะเกิดขึ้นไปรู้ไปเห็นอะไรเราอย่าไปดู ให้ดูตตดใจให้ใจอยู่ที่พุทโธเมื่อกําลังภาวนาอยู่หากมีความกลัวเกิดขึ้นก็อย่าไปคิดในสิ่งที่น่ากลัวนั้นอย่าไปดูมันดูแต่ใจของเราเพียงอย่างเดียวเท่านั้นแล้วความกลัวมันจะหายไปเองหลวงปู่ได้ชี้แจงต่อไปว่าสิ่งที่เราไปรู้ไปเห็นนั้นบางทีก็จริง บางทีก็ไม่จริงเหมือนกับว่าคนที่ภาวนาแล้วไปรู้ไปเห็นสิ่งต่างๆเข้าการที่เขาเห็นนั้นเขาเห็นจริงแต่สิ่งที่เห็นนั้นมันไม่จริงเหมือนอย่างที่เราดูหนังเห็นภาพในจอหนังก็เห็นภาพในจอจริงๆแต่สิ่งที่เห็นนั้นไม่จริงเพราะความจริงนั้นภาพมันไปจากฟิล์มต่างหาก ฉะนั้นผู้ภาวนาต้องดูที่ใจอย่างเดียวสิ่งอื่นนอกจากนั้นจะหายไปเองให้ใจมันอยู่ที่ใจนั่นละ่ะอย่าไปส่งออกนอกใจนี้มันไม่ได้อยู่จำเพาะที่ว่าจะต้องอยู่ตรงนั้นตรงนี้คำว่าใจอยู่กับใจนี้คือคิดตรงไหนใจก็อยู่ตรงนั้นแหละความคิดนึก ก็คือตัวจิตตัวใจหากจะเปรียบไปก็เหมือนเช่นรูปกับฟิล์มจะว่ารูปเป็นฟิล์มก็ได้จะว่าฟิล์มเป็นรูปก็ได้ใจอยู่กับใจก็เปรียบเหมือนรูปกับฟิล์มนั่นหละแต่โดยหลักปฏิบัติแล้วใจก็เป็นอย่างหนึ่งสติก็เป็นอย่างหนึ่ง แต่ที่จริงแล้วมันก็เป็นสิ่งเดียวกันเหมือนหนึ่งว่าไฟกับกระแสไฟความสว่างกับไฟก็อันหนึ่งอันเดียวกันนั่นแหละแต่เรามาพูดให้เป็นคนละอย่างใจอยู่กับใจจึงหมายถึงให้มีสติอยู่กำกับมันเองให้อยู่กับสติแต่สติสำหรับปุถุชน หรือสติสำหรับผู้เริ่มปฏิบัติเป็นสติที่ยังไม่มั่นคงมันจึงมีลักษณะาขาดช่วงเป็นตอนตอนถ้าเราปฏิบัติจนสติมันต่อกันได้เร็วจนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันให้เป็นแสงสว่างอย่างเดียวกันอย่างเช่นสัญญาณออดซึ่งที่จริงมันไม่ได้มีเสียงยาวติดต่อกันเลยแต่เสียงออดออดออดถีมากจนความถีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เราจึงได้ยินเสียงออดนั้นยาวในการปฏิบัติที่ว่าปฏิบัติจิตปฏิบัติใจโดยให้ใจอยู่กับใจนี้ก็คือให้มีสติ ก, กำกับใจให้เป็นสติทาวรไม่ใช่เป็นสติคล้ายคลายหลอดไฟที่จวนจะขาดเดี๋ยวก็สว่างวาบเดี๋ยวก็ดับเดี๋ยวก็สว่างแต่ให้มันสว่างติดต่อกันไปตลอดเวลา เมื่อสติมันติดต่อกันไปอย่างนี้แล้วใจมันก็มีสติควบคุมอยู่ตลอดเวลาเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอยู่กับตัวรู้ตลอดเวลาตัวรู้ก็คือสตินั่นเองหรือจะเรียกว่าพุโทโธก็ได้พุโทโธที่ว่ารู้ตื่นเบิกบานก็คือตัวสตินั่นแหละเมื่อมีสติ ความรู้สึกนึกคิดอะไรต่างๆมันก็จะเป็นไปได้โดยอัตโนมัติของมันเองเวลาดีใจก็จะไม่ดีใจจนเกินไปสามารถพิจารณารู้ได้โดยทันทีว่าสิ่งนี้คืออะไรเกิดขึ้นและเวลาเสียใจมันก็ไม่เสียใจจนเกินไปเพราะว่าสติมันรู้อยู่แล้วคําชมก็เป็นคําชนิดหนึ่ง คำติก็เป็นคำชนิดหนึ่งเมื่อจับสิ่งเหล่านี้มาทวงกันแล้วจะเห็นว่ามันไม่แตกต่างกันจนเกินไปมันเป็นเพียงภาษาคำพูดเท่า น, นั้นเองใจมันก็ไม่รับเมื่อใจมันไม่รับก็รู้ว่าใจมันไม่มีความกังวลความวิตกกังวลในเรื่องต่างๆก็ไม่มีความกระเพื่อมของจิตก็ไม่มี ก็เหลือแต่ความรู้อยู่ในใจสมณเนนเพิ่มจดจำคำแนะนำสั่งสอนจากหลวงปู่ไปปฏิบัติต่อปรากฏว่าสิ่งที่น่าสะพรึงกลัวไม่ทำให้ท่านหวัดวันใจอีกเลยทำให้ท่านสามารถโน้มน้าวใจสู่ความสงบค้นพบปัญญาที่จะนำสู่ความสุขสงบ ในสมาธิธรรมตั้งแต่บัดนั้นมาแท้จริงการดูจิตไม่มีอะไรมากเพียงแต่รู้อารมณ์ที่กำลังปรากฏด้วยจิตที่เป็นกลางจริงก็พอแล้วรู้อยู่ตรงรู้นั่นแหละถ้าจิตเป็นกลางจริงๆ จ, จะสังเกตเห็นจิตผู้รู้ แทกอยู่ตรงนั้นเองเมื่อเห็นบ่อยๆแล้วต่อไปก็ชำนาญสามารถเห็นจิตผู้รู้ได้เสมอสรุปคำสอนของหลวงปู่ดูลัตตุโลข้อที่หนึ่งธรรมะเรียนรู้ได้ที่จิต ข้อที่สองให้บริกรรมเพื่อรวมอารมณ์ให้เป็นหนึ่งสังเกตดูว่าใครเป็นผู้บริกรรมพุทโธข้อที่สามทำความเข้าใจในอารมณ์ความคิดนึกสังเกตกิเลสที่กำลังปรากฏให้ออก ข้อที่สอย่าส่งจิตออกนอกอย่าให้จิตคิดส่งไปภายนอกคือเผลอให้สังเกตความวันไหวหรือปฏิกิริยาของจิตต่ออารมณ์ที่รับเข้ามาทางอายตนะหกข้อที่หจงทำยานให้เห็นจิต เหมือนดั่งตาเห็นรูปคือรู้ทันพฤติของจิตพฤติของจิตคือกิริยาอาการการกระทําของจิตข้อที่6รู้เพราะคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้ต้องหยุดคิดถึงจะรู้แต่ก็ต้องอาศัยคิด คืออย่าไปห้ามความคิดข้อที่7แยกรูปถอดคือความรุงแต่งก็ถึงความว่างแยกความว่างถึงมหาสุญญาตาข้อที่8อริยสัจแห่งจิต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 ถ้าจิตที่ส่งออกนอกได้รับอารมณ์แล้วแต่ไม่หวั่นไหวหรือไม่กระเพื่อมไปตามอารมณ์นั้นๆมีสติอยู่อย่างสมบูรณ์เป็นมักผลอันเกิดจากจิตไม่หวั่นไหวหรือไม่กระเพื่อมเพราะมีสติอยู่อย่างสมบูรณ์เป็นนิโรธพระอริยเจ้าทั้งหลายมีจิตไม่ส่งออกนอก จิตไม่หวั่นไหวจิตไม่กระเพื่อมเป็นวิหารธรรมจบอริยสัจ ส, สี